แดงกับขาวนี่เป็นหมาสองตัวนะที่สนิท ก, กันมากนะแต่ดูมันจะอยู่กนคนละบ้านทุกเช้าเนี่ยแดงก็จะมาเรียกขาวเนี่ยไปเที่ยวไปเล่นกันแล้วสนุกสนานกันมากนะหมาสองตัวเนี่ยบางทีก็หยอกล้อกันวันหนึ่งเนี่ยเช้าวันนึงเนี่ ย, ววนนยแดงก็ไปเรียกขาว ตกใจนะเห็นขาวนอนแน่นิ่งอยู่บนทางอยู่บนถนนเรียกเท่าไหร่ขาวก็ไม่ลุกนอนนิ่งเลยไม่ไหวติง่งเรียกสักพักเนี่ยขาวไม่ลุกเนี่ยแดงก็ใจเสียเลยนะเปลี่ยนท่าทีเลยครางเลยนะครางงิงๆิงงิแล้วก็ไม่อยู่เฉยนะพยายามที่จะปลุก หรือว่ากระตุ้นให้ขาวตื่นเอาหัวดันตัวขาวก็ไม่ตอบสนองอะไรทั้งสิน้นตอหลังแดงก็เลยเอาขาเนี่ยคล้ายๆลากลากดันพยายามนำทุกอย่างเพื่อให้ขาวนี้ตื่นลุกขึ้นมาแต่ขาวก็แน่นิ่ง ไอเสียงครางของแดงเนี่ยมันเหมือนก็จะบอกว่ามันเสียใจนะมันทำใจไม่ได้ออกับการที่เพื่อรักตายหรือว่ามันไม่เข้าใจว่าความตายคืออะไรก็ได้เพราะว่าถ้าไม่เข้าใจมันคงจะไม่พยายามที่จะปลุกหรือพยายามลากต้นให้ขาวตื่นฟื้นขึ้นมาเพรมันทาอยู่นานเลยนะ ถ้าไม่นึกถึงคลิปที่เคยเห็นนะหมาเนี่ยมันไปนั่งอยู่เป็นเพื่อนขึ้นเป็นหมาด้วยกันแล้วก็โดนรถชนตายหรือบางทียังไม่ทันตายนะแค่บาดเจ็บแต่อาการหนักมากหมาตัวนึงก็ไปนั่งเป็นเพื่อนนะพยายามที่จะปกป้องอันนี้เคยเห็นเป็นคลิปต่างประเทศนะ <c oughs> แต่ว่ายังไม่เคยเจอคลิป แบบนี้ในเมืองไทยนะคนเห็นแล้วก็ทั้งซาบซึ้งนะในมิตรภาพนะระหว่างหมาสองตัวนียสงสารแดงนะมันคงทำใจไม่ได้นะใจคงจะสลายนิที่เพื่อนตายนะบางคนก็ดูแล้วก็ร้องไห้เลยนะสงสาร ใกล้ๆเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งนะดูยืนดูเหตุการณ์อยู่ไม่ได้แสดงความรู้สึกเศร้าเสียใจหรือว่าสะเทือนใจเลยนะกับภาพที่เกิดขึ้นข้างหน้าให้จู่ๆเนี่ยผู้ชายเนี่ยก็เดินไปที่ขาวนะซึ่งก็มีแดงอยู่ใกล้ๆแดงก็ ไม่ไทํารำายชายคนนั้นนะคงจะรู้จักเพราะม่งานเนี่ยคงจะปกป้องขาวอาจจะเห่าหรือว่าไล่กัดนะผู้ชายคนนั้นสิ่งที่ผู้ชายคนนั้นทําคือว่าจับขาหลังของขาวเนี่ยลากเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกไม่ดีเลยนะทํากับขาวอย่างนั้นเนี่ยน่าจะอุ้มนะไปฝังเลยสักอย่างไม่ใช่มาลาก เหมือนกับไม่หายดีอะไรเลยบอกว่าอยู่ดีๆเนี่ยสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะขานี่มันดิ้นเลยนะมันลุกขึ้นมาเลยมันสะบัดตัวหลุดจากมือของชายคนนั้นเลยแปลว่าอะไรขาไม่ได้ตายขามันแกล้งตายมันแกล้งไขนะมันแกล้งแดงโอ้ไม่เคยเห็นเลยนะ หมาแก้งเพื่อนเนี่ยแก้งหนักด้วยนะแก้งตายแล้วมันสมจริงมากเลยนะเพราแดงนี่ร้องไห้เลยนะแล้วคนดูก็ร้องไห้ด้วยนะแต่พอเห็นแล้วรู้ว่าขาวนี่มันแกล้งนะแก้งตายมีคนหนึ่งเขียนมาบอกนะเอาน้ําตาของฉันคืนมาเอาน้ำตาของฉันคืนมานะ เสียน้ำตาไปนะเสียน้ำตาไปเพราะขาวเนี่ยแต่เพิ่งรู้ว่าขาวนี่มันไม่ได้หลอกแดงกันนะมันหลอกเจ้าตัวด้วยไม่ปกติหมานี่มันไม่ค่อยหลอกหรือแกล้เพื่อนแบบนี้นะมันเอาที่สายนี้มาอย่างไหนนะตรงนั้มาจากคนนะคนชอบแกล้คนชอบหลอกพวกนีหมานี่มันซื่อนะมันแกล้เพื่อนนะมันหลอกเพื่อน แล้วหลอกแรงด้วยนะแต่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยรู้นะว่าไอ้ขาวเนี่ยคงมีนิสัยแบบเนี้ก็เลยนะลําคาญนะเปิดโปงไอ้ขาวนี่ตอนหน้าแดงเลยนะลากเลยมันลุกทันทีเลยนี่เราเจะบ่อยนะหมาเนี่ยบางทีไม่ได้แกล้งหมาด้วยกันนะแกล้งคนนะเห็นหมาเนี่ยบางตัวเนี่ยเดินลากขาหลัง เหมือนกับว่าโดนรถชนนะเดินลากขาหลังเนี่ยไปตามไปตามตลาดคนน่งก็สงสารนะโอยหมาพิการเอาของให้มันกินเอาอาหารให้มันกินท้งนี้เป็นชั่วโมงเลยนะคนแต่คนเจ้าถิ่นหรือคนเริวนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีความสงสารหมาตัวนี้เลยบางคนลำคาญนะ ทำท่าจะเตะมาเนี่ยมันมันวิ่งหนีเลยนะขาที่พิการนี่ปบอกว่าใช้ได้เลยนะมันไม่ได้พิการนะแต่มันหลอกคนหลอกคนที่ผ่านไปผ่านมาเนะี่เพื่อจะได้ขอความเห็นใจมันนึกดูนะไอการที่หมาเนี่ยหมานี่มันมีความสามารถหรือนิสัยในการหลอกคนแบบนี้ได้เนี่ยคงเอานิสัยนี้มาจากคนนะ่ะ แต่หมาดีอย่างหนึ่งนะมันจะหลอกใครก็ตามนะมันไม่เคยหลอกเจ้าของเลยนะมันยังซื่อตรงต่อเจ้าของแล้วก็ก็พักดีด้วยนะอย่างที่เราเคยได้ข่าวนะหมาเนี่ยมันไปส่งเจ้าของเนี่ยขึ้นรถไฟทุกเช้าเลยอย่างที่เห็นในเยอปุ่นเนี่ยส่ง เจ้าของขึ้นรถไฟไปทํางานตอนเช้าตอนเย็นก็ม า, มารออยู่ที่สถานีรถไฟรอเจ้านายกลับมามีบางคนนะแกล้งนะแกล้งหมาไปแล้วไม่กลับนะไม่กลับมาตามเวลาโอ้ยหมามันรอยในสถานีรถไฟบางทีเนี่ยรอเป็นวันนะรอเป็นหลายวันเลยนะ ไอ้รอแบบนี้นี่ไม่ดีนะเพราะว่าหมามันรอจริงๆนะอย่างมีอย่างอย่างกรณเในญี่ปุ่นเนี่ยเจ้าของเนี่ยไปทางานแล้วไม่กลับตา ย, ยหมาก็ไม่รู้นะเจ้าของไม่กลับหมามก็รออยู่ที่สถานีเดิมเนี่ยทุกเย็นเลยเป็นเวลาไม่ใช่หลายวันนะเป็นเดือนนะแล้วก็เป็นปี จนกทั่งหมานี่ตายนี่เขาก็สร้างมนุสา์เซล์ให้นะที่ชินจูกุนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีสาวเมียนุสศรีหมาตัวหนึ่งนะจําชื่อไม่ได้แล้วมันซื่อสัตย์กับเจ้าของนะแต่ถ้าเจ้าของเกิดไปแกล้งมันนะไปหลอกมันเนี่ยโอ้ยมันแย่เลยนะเพราะนั้นเนี่ยถึงแม่หมาเนี่ยมันจะหลอกใครก็ตามนะแต่ว่ามันไม่หลอกเจ้าของหมามันอาจจะอาจจะนิสัยไม่ดีจากคนไป แต่คนเราควรจะรับเอานิสัยดีๆจากหมามาด้วยนะคือความซื่อสัตย์ความซื่อตรงนะแล้วก็ไม่ควรที่จะไปหลอกหมานะถ้าจะหลอกหมาแรงๆเนี่ยแบบว่าหายไปเลยเนี่ยไม่กลับมาเพราะว่าไปต่างประเทศหรือว่าไปเรียนต่อเมืองนอกเนี่ยเป็นปีเนี่ยมันไม่ใช่แค่หลอกได้วันสองวันนะมันหมานี่มันเชื่อเป็นปีเลยนะแล้วก็อาจจะตอมใจตายกันแน่เพราะฉะนั้นเนี่ย ให้เราตระหนักว่าเนี่ยแม้ว่าหมานี่มันจะซึมซับแล้วเอานิสัยไม่ดีจากคนไปนะเช่นไปแกล้งเพื่อนหลอกเพื่อนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันมีคือความซื่อสัตย์นะต่อเจ้าของแล้วเราก็ควรจะรับเอาหรือซึมซับล้วเอานิสัยนี้จากหมามาด้วยนะอย่างน้อยก็ไม่ไปไปหลอกหมาเพราะไม่งั้นนี่อาจจะเรียกว่าเกิดผลเสียต่อหมาเองก็ได้